เมื่อเช้านะท่านสุรินก็ได้เล่าถึงเรื่องของสองคนที่ชีอเห็นว่าการความรักความปรารถนาดีกับใครสักคนบางครั้งก็ต้องแสดงออกด้วยความเป็นคนใจร้ายหรือว่าใจแข็ง อย่างพระกุมารกัสสปะนะก็แม้ว่าจะมีความรักต่อมารดาแต่ว่าก็ต้องยอมที่จะพูดจารุนแรงกับแม่ซึ่งเป็นพิสุณีเพื่อจะได้รัดใจไม่ห่วงไม่คิดถึงลูกจะได้บำเพ็ญเพียรในการปฏิบัติธรรมซึ่งก็ทำได้สำเร็จนะเพราะว่า แม่ก็ตัดใจได้จริงๆด้วยความเสียใจทำไมลูกตัดรอนแบบนั้นแล้วแม่ก็เลยหันหน้าเข้าหาการบาเพ็ญวิปัสสน า, ษษาสุดท้ายก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์ส่วนเรื่องของดารายคนหนึ่งนะโจหลิงชื่อใช่ที่อายุเจ็ดขวบนะแต่ว่าแก้งําเป็นตัเกเรนะกินเนื้อ กินไก่แล้วก็ไม่เคี้ยวเออไม่แทนแทนที่จะเคี้ยวแล้วกลืนก็ไม่กลืนนะายออกมาใส่จานสุดท้ายแม่ก็ต้องจบ ก, กวาดนะต้องกินอาหารที่ลูกกลืนมาที่ลูกคายออกมาอันนี้เป็นความตั้งใจของเด็กนะที่<ม>อยากจะให้แม่ได้กินเนื้อบ้างเพราะว่าแม่นี่รักลูกมากเนื้อนี่ก็ให ก็กินตัวเองก็กิกนแต่ผักอเด็กตัวนี้ก็อยากจะให้แม่ได้กินแต่ก็รู้ว่าทําดีๆแม่ผ็ไม่กินนะ mm hmm. ก็เลยแกล้งทําตัวเป็นเด็กเกเรเคี mm hmm. ้ยวเคีนะ้ยวเนื้อเคี้ยวไก่แล้วก็ไม่กลืนนะั้นทายออกมาแม่ก็เข้าใจผิดม่าต้องนาะนว่าลูกคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่เกเรมาดูความจริงว่าที่จริงนี่ลูกทำเพราะรักแม่ ก็ตอนที่ลูกโตแล้วค่อยมาเผยความจริงความรักนี่บางครั้งมันก็ต้องแสดงออกด้วยต้อพอาศัยความใจแข็งนะหรือว่าอาจจะเข้าขั้นใจร้ายเลยทีเดียวเพืนะ่อประโยชน์ของคนที่เรารักแลนะถ้าใจอ่อนไปนะคนที่เรารักก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรอย่างพระกุมารกัสปานี่ถ้าใจอ่อนตอน ต่อแม่นะแม่ก็คงจะหวนหาคิดถึงลูกอยู่ไม่เลิกไม่ลาแต่พอต่อว่าแม่นี่แม่ตัดใจได้เลยนะแล้วก็หันหน้าเข้าหาพระธรรมา้าโจลิงชื่อนี่ก็เรียกว่าแม่เป็นเด็กเจ็ดขวบแต่ ว, ว่าก็มีความคิดความอักลังแม่จนทั่งพร้อมที่จะเป็นพร้อมที่จะทำตัวเป็นเด็กเกเรได้ อันนี้ก็ถือเป็นความเสียสละนะเพราะว่าหลายคนก็เรื่องคนส่วนใหญ่อยากเป็นตัวเอกอยากเป็นนางเอกในสายตาของแม่ในสายตาของพ่อแล้วก็ในสายตาของใครต่อใครแต่นี้เขายอมที่จะทําตัวเป็นเด็กเกเรเพราะความรักแม่เขาอยากจะให้แม่ได้กินเนื้อบ้างเพราะว่าบ้านยากจนอันนี้ก็ถือว่าเขาอ่ามีความรักแม่ยิ่งกว่ารักตัวเองนะนันก็เป็นความเสียสละ ไอการที่คนเราจะรักแม่รักพ่อหรือรักใครก็ตามมากกว่ารักตัวเองนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าไม่ว่าเราจะรักใครก็ตามเราก็อยากจะให้เขามองเราเป็นพระเอกเป็นนางเอกอยากจะให้แม่มองเราเป็นพระเอกมองเราเป็นนางเอกการที่จะทําตัวเป็นเด็กเกเร <c oughs> เป็นผู้ร้ายในสายตาของแม่นี่มันต้องเรียกว่าทําใจมากทีเดียวหรือว่าทําตัวเป็น กูรไยในสายตาของพ่อของพี่น้องนะมันก็ต้องอาศัยความอดทนซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นความเสียสละนะต้องอาศัยการลดละตัวตนมากก็นวบนาถึงนะ้าที่เด็ดกเจ็ดขวนี่เขาคิดได้ขนาดนี้ที่จริงนะไม่ใช่อพ่อแม่ก็เหมือนกันนะบางทีพ่อแม่นี่จะจะรักลูกเนี่ยนะความปรารถนาดีของ พ่อแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยบางครั้งก็ต้องแสดงออกมาในลุ่มความใจแข็งหรืออาจต้องเข้าขั้นใจร้ายเลยก็ได้เพื่อให้ลูกเขาได้เติบโตหรือว่าสามารถจะพึ่งตัวเองได้บางครั้งพ่อแม่ก็ทำเองได้นะแต่ว่าก็ต้องให้ลูกทำหรือบางครั้งลูกทำการบ้านลูกก็เป็นทุกข์มากเพราะทําทำการบ้านไม่ได้พ่อแม่ก็ต้องใจแข็งนะ จะไปใจอ่อนว่าทําให้กับทําการบ้านให้ลูกทุกครั้งพ่อไม่อยากเห็นลูกทุกทรมานถ้าพ่อแม่ใจอ่อนแบบนี้ลูกก็จะไม่มีความรู้แล้วก็จะไม่มีความวิริยะความภาคภียิพ่อแม่ก็ต้องทําป็นไม่รู้ไม่เห็นบ้างแม้ว่าอยากจะช่วยเต็มที่นะอยากจะช่วยสุดวใจัยแต่ก็ต้อง ท, ทําทีไม่เห็นอันนี้เรื่องอุบเบกขาก็ได้นะ อุเบกขาแต่ว่าอุเบกขาบางครําก็ออกมาที่ลงความใจแข็งสมัยจะมาเป็นนักเรียนเนี่ยอยู่โรงเรียนอสัมชัญนี่โรงเรียนนี้ดุบ้างนะเรื่องเรื่องวินัยถ้านักเรียนเนี่ยไม่เอาสมุดไปโรงเรียนไม่เอาหนังสือไปโรงเรียนทําการบ้านแล้วไม่เอาสมุดการบ้านไปโรงเรียนก็จะถูกตีและธรรมดาเด็กนะัก็ลืมนะเด็กก็ลืมหนังสือลืมเด็กลืมสมุด แม่ไปส่งที่โรงเรียนก็บอกแม่ว่าช่วยไปเอาสมุดที่บ้านนี่มาส่งที่โรงเรียนหน่อยไม่งั้นโดนตีนะแม่แาตามาไม่ไม่ทำนะไม่กลับไปไม่ไม่ทำอย่างที่ต้องการไม่ช่วยลูกเลยนะ <c oughs> ก็ลูกก็โดนตีเป็นธรรมดานะโดนตีเพราะว่าครูก็หาว่าเราเราเราไม่ได้ทำการบ้านแล้วก็เลยแกล้งทาเป็นไม่ได้เอาสมุดการบ้านไปที่จริงเราทำนะทำ ท, ำทำการบ้านเรียบร้อยแต่ว่าลืมสมุด ก็โดนครูตีแม่ก็ใจแข็งเหมือนกันนะยอมให้ลูกถูกตีก็ทําให้สิ่งที่ข้อเดียวคือทําให้เราเนี่ยมีความอประมัด ร, ระวังมากขึ้นเวลาจะไปโรงเรียนก็ต้องตรวจดูให้รอบครอบว่าสมุดห น, นะนังสือเอามาเรียบร้อยหรือเปล่าไม่มีการเผลอเลอเะเพเผลอเลอะเท่าไหร่เผลอเลออย่างไรก็ถูกตีมา น, นั้นฟังความช่วยเราจากแม่ไม่ได้เลยตอนเด็กๆ ก, ก, ก็จะน้อยใจนะว่าแม่ทําไมไม่ช่วยเรา แต่ที่จริงแล้วนี่นี่แหละคือความรักของแม่นะเพราะว่าแม่ก็ต้องใจแข็งแม่หลายคนก็ใจแข็งยิ่งกว่า น, นี้นะยอมให้ลูกที่ยอมให้ลูกลําบากหรือว่าเขี่ยวเข็ยนลูกแต่ถ้าเกิดวแม่อยากจะเป็นนางเอกในสายตาของลูกนี่ตามใจลูกทุกอย่างนะลูกงอแ ง, งยังไงก็ยอมก็หวังได้ก็คาดเดาได้ไมย่ยากว่าลูกก็คงจะเสียพูเสียคนหรือว่ากลายเป็นคนอ่อนแอยิ่ง พ่อแม่ที่เป็นคนรวยนะั้นมีฐานะด้วยนะี่ยิ่งต้องใจแข็งให้มากก็คือว่าให้ลูกช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดที่ประเทศจีนนี่เมื่อสกต้นปีก็มีข่าวนะแม่คนหนึ่งนี่ร่ำรวยมากนะมีมีฟลัสิบสิบเจดหลังแล้วก็มีอสังหา ร, ริมทรัพย์มากมายเลียกันรวยจากเศรษฐกิจที่บูมของจีนแต่ว่าแม่คนนี้เนี่ยแทนที่จะอยู่สบายกินสบาย เธอกลับมาทําอาชีพเป็นพนักงานเก็บขยะทําความสะอาดรวยมหาศาลนะมีเงินคงระดับร้อยล้านแต่ว่ามาเป็นพนักงานเก็บขยะได้เงินเดือ น, เ, นเดือนละหกพันห้าทำอย่านี้เพื่ออะไรนะเพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกแล้วก็เคี่ยวเข็นลูกนะให้มาทํางานแบบนี้ด้วยลูกก็มาเป็นคนก็มาเป็นพนักงานเป็นคนขับรถแท็กซี่ได้เงินเดือนละหมื่นนะ ลูกสายคนก็อทํางานได้ได้เงินเดือนดีหน่อยนะหมื่นห้าอันนี้ลูกแม่คงเห็นว่าเนี่ยตัวเองต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกนะไม่งั้นเดี๋ยวลูกก็จะนั่งกินนอนกินกลายเป็นเรียกว่าเสียพูดเสียคนเราก็เจออย่างนี้มาเยอะแล้วนะลูกที่เสียพูดเสียคนเพราะพ่อแม่นี่รำ่ำรวยแล้วแม่คนนี้ก็เรียกว่ายอมที่จะลําบากแล้วถึงกับมาเป็นพนัก ง, งานเก็บขยะทําความสะอาด เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างให้ลูกนะก็ขนาดแม่ยังทําอย่างนี้เลยทําไมลูกจะทําไม่ได้นะอันนี้ก็เรียกว่าทําให้เด็กเขาลูกเนี่ยมีความพึ้นตัวเองไม่รอคอยคาดหวังมรดกจากแม่แม่ก็ต้องเข้มแข็งนะจะต้องพร้อมที่จะใจแข็งหรือว่าจะต้องใจลายด้วยนะทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ที่ตัวเองรักอ่า เสร็จก็เหมือนกันนะครูเหมือนกันนบางทีก็ต้องใจร้ายกับสิษย์สมัยก่อนใจร้ายด้วยการตีนะสมัยนี้การตีมันก็ล้าสมัยแนละ้วแต่ว่าก็ต้องใช้วิธีอื่นต้องใจแข็งหรือใจร้ายกับลูกศิษย์บ้างเพราะไมงันลูกศิษย์ก็จะไม่มีวันได้เติบโตเราก็เตรียมพระคร